ที่จะได้กล่าวสังเวกาถาเพื่อที่จะปลอบป ร, ประโลมจิตใจของญาติและพี่น้องญาติสนิทมิสหายของไม่ชิ ก, กุ้งผู้ได้สูญเสียสมาชิกในครอบครัวและสมาชิกของญาติไปก็สิ่งหล่านี้ก็นำมาถึงความไม่สบายใจผู้ที่เป็นญาติสนิทมิสหาย เพราะว่าไม่ชีคุ้งได้จากไปในเวลาที่เรียกว่ายังไม่เหมาะสมอายุแค่สามสิบหกปีซึ่งก็การจากไปไวเกินไปก็เรียกผีความคาดหมายของญาติหลายคนตลอดถึงผู้ที่เป็นทายาทคือเป็นลูกก็หวังที่จะได้รับความบุนจากผู้เป็นแม่แ ต, ตลอดได้ฟังแต่ก็มา เสียผู้ทีเป็นมารดาบางนเกิดเก้าวไปผู้ที่เป็นแม่ก็ทำใจไม่ก็ได้ผู้ทีเ็นพี่ e น้องก็รู้สึกเสียดายถ้าเขายังอยู่ในโรกนี้ยังมีชีวิต อ, อยู่ก็คงจะให้ความอบอุ่นและก็ให้การาที่พึ่งซึ่งกันและกันได้อีกนานพอสมควรแต่ทั้งนี้แทะหลังนั้นเราก็ต้องไม่ลืมชื่นธรรมดาทั้งหลายว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมี ความไม่เที่ยงเป็นเบื้องหน้ามีความเปลี่ยนไปในท่ามกลางและมีความแตกดับในที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องยอมรับในสภาพความเป็นจริงอันนี้ที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะนั้นก็หมายความว่าชีวิตทั้งหลายถ้ามีการเกิดก็จะมีการแก่การเจ็บการตายนันเกิดขึ้นแล้วแก่เมื่อไหร่เจ็บเมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่นั้นไม่เคยกํำหนดเวลาและไม่เคยจะบอกเราไว้ก่อน ดัง น, นั้นพระริเจาท่านจึงจัดไว้มี้ว่าหันธรรนิพพิเเวอมัตยาไมโวขยาวยะธรรมายสังขาราอ ป, ปมาเทนะสัมปาเทชะว่าดูก่อนท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เทเี่ยงเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาและเปลี่ยนไปตลอดเวลาหน้าที่ของท่านทั้งหลายที่ควรจะทําก็คืออ ป, ปมาเทนะสัมปาเทถะคือตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทไม่ขาดสติไม่ขาดสมาธิไม่ขาดปัญญาอยู่เสมอจึงจะได้ไม่ เป็นตกเป็นธาตุของความเปลี่ยนแปลงไปตามสังขารแต่ด้วยที่เราทั้งหลายนั้นไม่ได้สดับและไม่มีกเร น, นมิตที่จะมาบอกมาสอนมาอบรมเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตกเป็นธาตุของความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และการแตกดับอยู่เสมอมาดังนะนั้นเองเมื่อเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธ ก, ก็คนที่จะ มาศึกษาทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีก่อนที่จะการเวลาเห็นความแตกดับมาถึงโดยที่ไม่มีคาดหมายไว้ก่อนว่าเราจะแตกดับเมื่อใดแต่ว่าสิ่งที่เราคนทําไว้ก็คือ <c oughs> ความเ <c oughs> ตรียมพร้อมตลอดเวลาเนะมื่อการแตกดับมาถึงเสมือนหนึ่งว่าเราได้หาทรัพย์สินเงินทองเอาไว้ตลอดเวลา <c oughs> พอรู้ล่วงหน้าว่าความจนความยากจนอดอยากจะมาถึงเมื่อรู้ว่าอย่างนี้แล้วเราก็มีการเตรียมหาสเสบียง เงินทองของเข้าไว้ร่วงหน้าอันนี้ในแง่ของรูปธรรมเรามีการเตรียมตัวไว้เป็นอย่างดีแต่ใ น, นแง่ของนา ม, มารมแล้วเรากลับไม่ค่อยเข้าใจไม่มีการเตรียมตัวเราก็นึกว่าการเตรียมตัวทางร่างร่างกายก็จิตใจก็คงเตรียมตัวไปเสร็จแต่ความจริงไม่ใช่ร่างกายมันต้องการเข้าปราอาหารสิ่งที่เป็นวัตถุแต่จิตใจนั้นไม่ได้เข้าไม่ได้ต้องการเข้าปราอาหารสิ่งที่เป็นวัตถุเพราะอะไร เพราะว่ามันเป็นนามธรรมต้องการความาสงบต้องการความสว่างต้องการความสะอาดในตัวของมันเองแต่ถ้าหากว่าจิตใจนะั้นจะต้องการเข้าปลาหารทรัพย์สุบัติแล้วใซเราก็หาทางกายแล้วก็อิ่ถึงใจแต่นี่ไม่ใช่ยิ่งหาทางกายได้มากเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งหิวมากเท่านั้นยิ่งอยากมากเท่านั้นยิ่งหาก็ยิ่งอยากยิ่งหาก็ยิ่งอยากนั่นหมายความว่าความสมบูรณ์ูนสุขทางด้าน วัตถุหรือลูกธรรมนั้นจะทำให้เกิดความขาดแคลนทางด้า น, น, นจิตใจมากขึ้นดัง น, น, นั้นพระริชาท่านจึงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่เป็นวัตถุตั้งแต่ทรัพย์สมบัติรูปภรรยาอาณาจักรแว่นแค้นประชาชนทั้งหมดออกไปเพื่อสแสวงหาความอิ่มเต็มทางด้านจิตใจเมื่อจิตใจอิ่มเต็มแล้วร่างกายก็จะอิ่มไปด้วยแต่ถ้าหากร่างกายอิ่มแล้วจิตใจนั้นไม่อิ่มเสมอไปดังนั้นเราจึงตกเป็นธาตุของความหิวโหวยตกเป็นธาตุของความอยากมาตลอด และได้รับความทุกมาตลอดเช่นกันแต่มนุษย์เราก็ไม่เคยที่จะขีดขยาดแม้ได้รับบทเรียนอันนี้แล้วแล้วแล้วแล้วทุกขและเป็นทุกทางกายท้งใจอย่างสังส้นสากแต่เราก็ไม่เคยที่จะได้บทเรียนเพราะว่าเราขาดการฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจขาดกาณมิตรผู้ชี้นาทางด้านจิตใจในงานประเพณีแต่ละครั้งการสรุปคน เจ็บและคนตายการปรลกุกการบุญประเพณีต่างๆเราจึงมีธีกรรมต่างๆเกิดขึ้น <c oughs> ทั้งที่อมันก็ไม่น่าจะยากกายแล้วก็เอาไปเผาไปฝังก็หมดเรื่องใช้เวลาไม่กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงแต่นี่เรามีการเก็บระยะเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันทำบุญร้อยวันทำบุญเจ็ดวันอะไรนี่เ <c oughs> พื่อปลุกเพื่ออะไรเพรื่อนักปราชญ์ท่านผู้รู้ท่านมีความฉลาดท่านจึงต้องการเอาความตายนี่มาเป็นคติ ให้คนเป็นเนี่ยได้รู้สึกตัวว่าเราก็จะเป็นอย่างนี้นะอย่าประมาทในพิธีกรรมนั้นหัวใจของพิธีกรรมก็คือการแสดงธรรมพิธีกรรมอะไรก็ตามถ้าไม่มีการแสดงธรรมถือว่าพิธีกรรมนั้นขาดหัวใจคือว่าที่เรามาในพิจกรรมต่างๆเนี่ยเราเสียสละงานเสียสละเวลาเสียสละทรัพย์สินและเสียสละสุขภาพในการเดินทางซึ่งนํามาความสูญเสียหลายอย่างแต่ว่าสิ่งที่คนจะเป็น ปฏิการะตอบสนองน่าคนจะเป็นอะไรควรจะเป็นของที่มีค่าเพราะมีค่านั้นเราเรียกว่าบุญกุศลเราเรียกว่าบุญแต่บุญที่เราสัมผัสไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่ามันได้มากน้อยเท่าใดแต่สิ่งที่น่าจะสัมผัสได้คือการได้รับยินดับฟังและกาัารชี้แจงทําความเข้าใจที่เป็นเหตุเป็นผลดังนั้นในแต่ละงานประเพณีนั้นเราจะมักจะนิยมพระไปแสดงธรรมนิยมพระไปเทศเพื่อที่จะ แสดงความเป็นเหตเป็นผลของพิธีกาว่ามีประโยชน์อะไรดังนั้นในครั้งนี้ก็เช่นกันแม่ชีกุ้งแม่จะได้รับผู้เวทนาแต่ว่าได้รับผู้เวทนาทางกายเท่านั้นเพราะจิตใจของเธอนั้นมีการเตรียมพร้อมแต่อย่างน้อยเป็นเวลาถึงสองปีหลังจากแม่ชีและญาติพี่น้องได้รับทราบว่าเป็นโรคร้ายเป็นเนื้อร้ายก็พยายามแสวงหาการรักษาด้วยวิธีการต่างๆแต่เมื่อ ดูแล้วว่ารักษาด้วยวิธีการไม่ดีขึ้นก็ได้ยอมรับความเปจริงว่าร่างกายนี้จะป่วยหรือไม่ป่วยมันก็ต้งตายจะเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งมันก็ต้องตายในวันใดวันหนึ่งเพราะฉะนั้นร่างกายนี้เราไม่สามารถจะรักษาไว้ได้ตลอดไปแต่จริงที่จะรักษาได้ตลอดไปคือด้านจีใจเธองตัดสินใจเสวหาคุณธรรมเพื่อที่จะรักษาจิตในวราระสุดท้ายให้สงบที่สุดเพราะจิตในสงบในวราระสุดท้ายอย่างมีสตินั้นจะมีสุขติเป็นเบื้องหน้าจิตเตสังกิต อสังกิติเทถทุกขติปาติตังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วจะไปสู่ทุกขติอจิตเตอสังกิติเทศสุขติปาติตังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วมีความสุขเป็นที่หวังอันนี้เป็นพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้เมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรให้จิตของเราสงบสุขที่สุดในตอนที่เราจะตายแล้วเราก็จะมีสุขติเป็นที่หวังสุขตินั่นแกเทวดาพรมแล้วก็อริยเจ้า ทั้งสามภพแต่ถ้าหากว่าจตเราสร้างก็จะไปสู่ทุกติสี่คือนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานซึ่งถ้าหากว่าเราไม่สร้างเงื่อนไขตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่เราก็หมดโอกาสที่จะเลือกเพราะนั้นเรารู้ว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าอย่างนี้ว่าคนไหนที่เป็นมนุษย์แล้วพระพุทธศาสนาแล้วยังทำกิเลสให้หมดสิ้นไม่ได้องมีการเกิดอีกแน่นอนเพราะมีเชื้ออยู่ เชื่อนันคือความอยากแต่ถ้าหากว่าโชคดีที่สุดเราสามารถทํากิเลสเหตุของทุกข์ให้หมดสิ้นได้ในชีวิตนี้ก็ถือว่าโชคดีที่สุดแต่เราหลายคนยังไม่พร้อมที่จะทําอย่างนั้นเราพร้อมที่จะไปทําให้หมดในภพต่อๆไปนั่ก็คือการสแสวงหาบุญกุศลใส่ตัวเอาไว้เพื่อเป็นเพราะว่าปัจจัยที่จะไปสู่สุขติภพแต่ถ้าเราเกิดเป็นมนุษยพ์พุทธศาสนาเกิดมาในประเทศไทยและพบครูบาอาจารย์แล้ว เราก็ยังเอาสุขติใส่ตัวยังไม่ได้ก็ถือว่าโชคร้ายในชีวิตของคนคนนั้นดังนั้นเองในงานประเพณีในงานพิธีกรรมต่างๆท่านจึงนิมนต์พระที่เป็นผู้รู้ในาศาสนามาแสดงธรรมเพื่อจะชี้ทางออกบอกทางไปให้กับเราทุกคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังดังนั้นวันนี้เรานำนิีกุ้งมาเป็นแบบอย่างในการที่จะไปสู่สุขติ ทุกขสิภพนั้นไม่ได้หมายความว่าเราตายแล้วเราจะอ่าไปโดยความไม่รู้ไปสู่ที่ไหนกันแน่แต่เราจะรู้ตั้งแต่ตาก่อนตายยังไม่ที่กุ้งเนี่ยอาจารมาภาพได้ดูแลแต่ก่อนตายมาตลอดในช่วงที่อาจามาอยู่ที่นี่ก็อืมได้นําเขาในการปฏิบัติธรรมแล้วก็รักษาด้วยแพทย์ทางเลือกมาก็แนะนําให้ไปอบรมกับหมอเขียวเพื่อที่จะได้ หลักวิชาในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองมาเมื่ออุ้มมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่เป็นเวลาระยะหนึ่งก็ปรากฏว่าก็ทำใจได้ปฏิบททัติธรรมทำใจไปส่วนเหตุปัจจัยทางด้านร่างกายนั้นเราไม่ใช่หมอไม่ใช่แพทย์เดชตรงเพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถจะรู้ลึกลงไปได้ก็รักษาไปตามอาการ จนกระทั่งว่าแม่ชีสามารถทนต่อเวทนาได้เพราะจิตใจนั้นเข้มแข็งด้วยการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่ปารบความเพียรอย่างเต็มที่มีการยนานมิตรคอยให้คำปรึกษาแม่ชีกุก็ทําใจได้สบายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ยอมรับตามความเป็นจริงในที่สุดพวกที่ญาติญาติก็เป็นห่วงก็ยังรับไม่ได้ในการที่จะรักษาแบบนี้ก็เลยให้ไปเข้าโรงพยาบาลรักษาตามอาการตามแพทย์ ก็ปรากฏว่าเธอก็ยอมไปเพื่อเห็นแก่ยากทั้งตัวเองก็ไม่เห็นแก่ตัวเองเท่าไหร่นะก็ต้องการที่จะศึกษาไปเรื่อยๆตายก็ตายแต่ใจไม่ตายกายตายช่างมันแต่ใจไม่ตายเหมือนบ้านเราเมื่อเกิดอุบัติเหตุถูกไฟไหม้ถูกน้ําท่วมบ้านอาจจะแตกสลายไปแต่ว่าเจ้าของบ้านสามารถที่จะไปหาบ้านใหม่อยู่ได้หาบ้านใหม่ที่ดีกว่าที่จะมีการเตรียมตัวนะดังนั้นจึงอยากจะให้ พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้เตรียมในการที่จะส่องแซมบ้านหลังนี้ให้ดีนะแต่ว่าบางครั้งเราดูแลสุขภาพนี้เป็นอย่างดีแล้วแต่อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นเช่นคนมีสุขภาพดีแต่ก็ได้รับอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตก็มีได้รับโรคร้ายถึงแก่ชีวิตก็มีดังนะนั้นจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เอาแม่ชีกุ้งเป็น คติว่าเราต้องไม่ประมาทแม้เราจะสุขภาพดีแล้วก็ไม่ควรประมาทแต่เราจะทําอย่างไรนั่นก็คือมีการฝึกฝนให้จิตใจได้สงบอระงับอยู่ตลอดเวลาโดยการลดความโลภความโกรธความหลงลงเพราะความโลภความโกรธความหลงนั่นก่อให้เกิดไฟในสังขานทั้งกายและจิตของเราความโลภความโกรธความหลงก่อให้เกิดพลังงานเกินจําเป็นและพลังงาน ส่วนเกินนี้เองมันไปเผาไหม้เหมือนกับไฟฟ้าที่เราติดแล้วเราก็ต้องมิเตอร์คอยวัดว่ามันเกินไหมถ้ามันเกินหลอดและเครื่องใช้เราก็พังหมดแล้วคอยมิเตอร์ปรับเอาไว้ฉันใดก็ดีพลังงานข้อความโลคความปวดความหลงซึ่งอยู่ในตัวเนี่ยเราต้องต้องเป็นต้องมีมิเตอร์คอยวัดเครื่องปรับไปคอยวัดเอาไว้ว่าเท่าไหร่เพงจะพอดีต่อที่เราจะต้องใช้ธรรมดาว่าความโรคความกวดความหลงเกิดเสมือนกระแสไฟในบ้านเรา ถ้าหากว่าเราปรับใช้มันอยู่ถูกต้องอย่างถูกต้องนั้นกระแสไฟนั่นเป็นประโยชน์ในการหุงข้าวต้มแกงเป็นประโยชน์แต่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายและเป็นประโยชน์ในการให้แสงสว่างถ้าเราปรับและใช้มันถูกต้องแต่ถ้าอะไรเครื่องปรับไม่ดีใช้ไม่ถูกต้องเกิดช็อตเกิดรัดวงจรขึ้นมาก็ทําให้ไฟไหม้แล้วก็ก็ตายไปเยอะแยะมากมายที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นั้นเขาเรียกว่าพลังงานส่วนเกินทุกคนมีความโลคความกบความหลงอยู่แต่การที่จะควบคุมความโลภโกรธหลงให้ เป็นไปตามต้องการนั้นต้องมีเครื่องปรับแต่เครื่องปรับให้เกิดความพอดีตรงนี้เรียก ว, ว่าหลักของอริยสี่หรือหลักของมัชชิมาปฏิปทาปรับให้เกิดความพอดีด้วยสมดุลเรื่องมัชชิมาปฏิปทาดังนั้นหลักของนามธรรมานั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราจะเข้าใจเพราะนักวิทยาศาสตร์ก็มีการปรับมาใช้ในแง่ของวัตถุ ระหว่างนามธรรมกับรูปธรรมไม่ได้ต่างกันเลยแต่ทีนี้ส่วนใหญ่เรารู้แต่ทางเดียวคือรู้ในส่วนที่เป็นรูปธรรมแต่นามธรรมเราไม่ได้ศึกษาเรื่องวิปัสสนาเราจะไม่รู้กลไกของเขาดังนั้นเองการที่เราปรับสมดุลของวัตถุให้ใช้ได้พอดีก็จะเกิดความสบายและได้ประโยชน์ชั้นใดในแง่ของกิเลสเหมือนกันถ้าเราปรับกิเลสให้เกิดความสมดุลได้พอดีกิเลสนั้นก็จะกลายเป็นปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิปัญญา แล้วกิเลสกับปัญญานั้นก็คือขบวนเดียวกันแต่คนละหัวเท่านั้นเองทางหัวมันไปทางมิจฉาทิฐิเขาเรียกว่าเป็นกิเลส้างหัวมันไปทางสัมมาทิฏฐิเขาเรียกว่าเป็นปัญญาเป็นธรรมนะดังนั้นเองพลังนี้คือพลังส่วนเดียวกันเหมือนพลังไฟในบ้านมันก็คือนพลังไฟฟ้าเดียวกันแต่ว่าใช้เป็นหรือไม่เป็นการใช้ไฟฟ้าเป็นได้และประโยชน์มากมายมหาศาลชั้นใดการปรับกิเลสให้เป็นธรรม ก็เกิดประโยชน์มห า, าศาลต่อชีวิตจิตใจฉะ น, นั้นเหมือนกันดังนั้นเองการระบบการปรับกิเลสให้มันเป็นธรรมนี้เราเรียกว่าสมถะธุระและวิปัสนาธุระเรียกพุทธศาสนาหรือสมถาวิปัสนาดังนั้นพระสงฆ์ที่บวชเข้ามานั้นเพื่อมาศึกษาการปรับระบบกิเลสให้เป็นธรรมนั่นเองแม้แต่นักปฏิบัติธรรมที่เข้ามาก็มาทำหน้าที่ตรงนี้แต่เมืบวชเข้ามาหรือมาปฏิบัติแล้วไม่ทําหน้าที่ตรงนี้หรือทําหน้าที่ตรงนี้ไม่ถูกต้องการ ปฏิบัติธรรมการบวชก็มีประโยชน์น้อยดังนั้นเองเราทั้งหลายต้องรู้หน้าที่ว่าเราเข้ามาสู่พุทธศาสนานี้เพื่ออะไรถ้าเราไม่รู้หน้าที่ตรงนี้ก็ถือว่าเราไม่รับประโยชน์จากพุทธศาสนาดังนั้นญาติโยมทั้งหลายการที่เราจะปรับกิเลสให้เป็นธรรมนั้นเราต้องผ่านระบบเหมือนกับเรียปรับเข้าสุก ข, ข้าดิบให้เป็นข้าสุกเหมือนเนื้อดิบให้เป็นเนื้อสุกผักดิบให้เป็นผักสุกต้องผ่านระบบเรียกความร้อน ในพุทธศาสนาก็กันการที่จะปรับจิตใจที่ดิบที่เถื่อนให้เป็นใจจิตใจที่สุขเป็นใจิตใจที่ประเนษนั้นต้องผ่านระบบเรียกว่าตะบะเรียกว่าตะบะธรรมขันติประมังตโปตีติค่าขันติคือความอดกัน้นเป็นตะบะเครื่องเผาเครื่องเปลี่ยนสภาพเครื่องแปลสภาพจากดิบให้เป็นสุขจากเถื่อนให้เป็นเจริญจากอนาริยะเป็นอารยะ ดันั้นญาติยมทั้งหลายเราทุกวันนี้เรามีการศึกษากันมากพอสมควรแต่ระบบการศึกษาไม่ได้สอนให้เราปรับกิเลสให้เป็นธรรมแต่มีการปรับกิเลสให้เป็นปัจจัยให้เป็นทรัพย์ใช่มากกว่าปรับกิเลสเพื่อให้เพิ่มกิเลสไม่ได้ปรับกิเลสเพื่อที่จะเปลี่ยนกิเลสให้เป็นจากบวกขึ้เป็นลบจากลบให้เป็นบวกดังนั้นญาติโยมทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจกฎเกณฑ์อันนี้แล้วในการนักนคือพุทธศาสนาของเราจะมากี่ปีกี่ชาติก็ตามถือว่าไม่ได้ประโยชน์ เพราะว่าเรายังไม่รู้จักไม่รู้จักวิธีปรับให้สิ่งที่มันลบให้เป็นบวกปรับสุขปรับทุกข์ให้เป็นสุขปรับนรกให้เป็นสวรรค์นะปรับบาปให้มันเป็นบุญได้อย่างไรเราไม่รู้กลไกอันนี้ดังนั้นถ้าเรารู้กลไกอันนี้เมื่อใดก็หมายความว่าเราก็จะพ้นจากทุกข์เมื่อ น, นั้นเราก็จะพ้นจากวัฏสงสารเมื่อ น, นั้นเหมือนกันอันนี้เป็นกลไกเป็นเคล็ดลับในพุทธศาสนาแต่สิ่งเหล่านี้บอกกันไม่ได้ต้องมาทําเอาเองดังนั้นเองเราจะมีสำนักวัดป่าสำนักวิปัสสนาสำนัก สงต่างๆเพื่อจะทำหน้าที่อันนี้แต่ถ้าหากว่าสำนักหรื อ, อวัดวาอารามต่างๆไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ก็ถือว่าก็ถือว่ายังไม่ใช่เป็นพุทธที่สมูลทีเดียวนะดังนั้นจึงตั้งข้อสังเกตให้ญาติโยมทั้งหลายไปศึกษาว่าเราอยู่กับกิเลสได้ได้องความสุขได้อย่างไรเหมือนว่าเรามีเข้าสารมีเข้าเปลือกในบ้าน แล้วจะเป็นปรับให้เป็นเข้าสซุปได้อย่างไรไม่ใช่เรื่องยากในแง่ของวัตถุแต่ในแง่ของนํา ม, มาทําทําไมเราจึงไม่ศึกษาในเรื่องอย่างนี้ทั้งเมื่าทุกคนอยอมรับ ว, ว่าตัวเองมีกิเลสพระเองก็ยอมรับ ว, ว่ามีกิเลสแต่ผู้ที่ศึกษาแล้วย่อมจะรู้ว่ากิเลสนั้นเป็นวัตถุดิบที่ยังไม่ได้แปลสภาพแต่เมื่อไรต้องการที่แปลสภาพเราก็เอาธรรมะที่เราปฏิบัติมาเป็นตัวปรับเหมือนเราติดไฟเพื่อหุงข้าวติดไฟเพื่อเกิดแสงสว่างชั้นใดก็ชั้นนั้น ยังยอมทั้งหลายนม่ชีกู้ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ได้มาใช้สถานที่ตรงนี้เป็นเครื่องปรับสภาพตรงนี้เป็นเส ม, มือนโรงงานที่จะสร้างเครื่องปรับสภาพสร้างตัวอะแดปเตอร์เพื่อที่จะปรับตัวกิเิตให้ไปทำถ้าหากว่าวัดวารามต่างๆได้ช่วยกันทำณจุดนี้ก็คิดว่าพุทธศาสนาก็จะได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แต่ในโลกนี้ไม่ได้มีแติ พ, พุทธศาสนาเท่านั้นมีาศาสนาอื่นๆด้วยซึ่งไม่รู้เรื่องเหล่านี้นั่นก็หมายความว่าเราไม่สามารถจะควบคุมหรือคอนโทรลโลกนี้ให้เป็นไปตามความต้องการของเราแต่ในฐานะเราเป็นพุทธถึง95เปอร์เซ็นในประเทศไทยเนี่ยแต่ผู้ที่จะรู้จักปรับกิเลสให้เป็นธรรมเนี่ยจะมีกี่เปอร์เซ็นต์เรายังไม่สามารถจะรู้ได้ดังนั้นยอดยมทั้งหลายเราจึงไม่ควรประมาทขาดสติเพราะชีวิตของเรานั้นมันจะ ร่วงหล่นเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนใบไม้ก็ไม่จําเป็นว่ามันจะต้องแก่ก่อนถึงจะร่วงใบไม้สามารถร่วงตั้งแต่ที่มันดิบๆอ่อ น, ออนๆก็มีเมื่อถูกลมพัดเมื่อถูกแมลงกัดฉันใดก็ดีชีวิตของเรานะั้นมันอาจจะร่วงตั้งแต่อายุน้อยๆกม็มีเมื่อกเกิดโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรง ห, หรือเกิอดอุบัติเหตุเข้ามาพ่ามาผานดังนั้นก็จึงอยากจะให้ญาติโ ย, ายามทั้งหลายจงตั้งสติเอาไว้ว่าปัจจุบันนี้เรามี อุบัติเหตุในไทยเกิดขึ้นมากมายทั้งไัยที่เป็นธรรมชาติไัยที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บและไฟขัดแย้งและสงครามความอดอยากลุกลามไปทั่วทุกหัวและแห่งของโลกแต่เมื่อเรายังไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นค้อติเตือนใจรีบเร่งขวนขวายหาที่พึ่งทางด้านจิตใจแล้วเราก็จะมาสู่โลกนี้ด้วยความมืดแล้วก็จะไปด้วยความมืดตโมตมะปรายนนะเราก็จะมืดมาแล้วก็มืดไป ดังนั้นเราจะทําอย่างไรทีม่มืดมาแล้วสว่างไปสว่างมาสว่างไปหรือ ม, มืดมาสว่างไปเราก็จะปลอดภัยณ์อยู่นั้นดังนั้นเองพระสงฆ์ในนามของพระพุทธศาสนาก็ทําหน้าที่เผยแพร่เรื่องนี้แล้วก็ทําหน้าที่ปฏิบัติเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เสียเวลาที่จะไปขอนขวายเรื่องอื่นขอนขวายในการชี้นําทางด้านจิตวิญญาณเพราะมนุษย์แต่ละคนนั้นเป็นพัฒนาการสูงสุดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เป็นสุดยอดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในที่สุดสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในที่ต่างๆนั้นก็ปรารถนาที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะในพมนุษย์นั้นไปพบศูนย์กลางในการที่จะเลือกไปเกิดทางอะสุคติก็ได้ทุคติก็ได้จะไปนิพพานก็ได้จะไปสังสารวัฏก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเกิดมาในที่นั้นๆเราไปสู่สิ่งแวดล้อมที่เป็นสัมมาทิฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นเมื่อใดเราต้องถ้าเราโชคดีมาสู่สิ่งแวดล้อมที่เป็นสัมมาทิฏฐิเราก็ เมื่ดมาสว่างไปเราไปสู่สิ่งแวดล้อมถ้าเป็นสมาธิิแล้วก็ไปอยู่ในสิ่งที่สมาธิิไปพบครูบาอาจารย์ที่เป็นสมาธิิเรียกว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปแต่เราเกิดมาสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีพบครูบาอาจารย์ที่เป็นพิชาทิฏฐิอีกเราก็ไปไม่ดีเรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปดังนั้นเองเรามีสิทธิ์เลือกขณะที่เราเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นปัจจุบันนี้เรามีอันตรายรอบด้านอันตรายเกิดจากสิ่งต่างๆเกิดจากปัจจัยสี่ของเรา อันตรายเกิดจากอาหารที่เบาบริโภคไปอันตรายสิ่งแวดล้อมที่เราดมรงอยู่ดินก็เสียน้ําก็เสียอากาศก็เสียอันตรายจากภัยพิบัติทางสังคมออันตรายที่บัตดจากภัยธรรมชาติรอบด้านทีเดียวถ้าเรายังประมาทอยู่ก็ชื่อว่าเราเกิดมาในโลกนี้ด้วยความว่างเปล่าแถมจะเอาภกชาติที่ไม่ดีไปไปเกิดในทุกขติด้วยดังนั้นแม่ชีกุ้งได้ทําหน้าที่จุดนี้อย่างดีที่สุดแล้ว จะมาะได้ติดต่อได้ให้คำปรึกษาทางด้านจิตใจยอยู่เสมอแม้ว่ามาไปอยู่ต่างประเทศในช่วงที่เธอป่วยก็ตามแต่ก็ได้โทรศัพท์ให้อารมณ์ได้สอบอารมณ์อยู่เสมอไม่ได้ขาดทุกๆเจ็ดวันในช่วงหลังที้ขาดการติดต่อไปก็ถามมายังผู้เป็นพี่สาวก็ได้ทราบว่าเป็น <c oughs> ปัจจุบันทันด่วนคือเชื้อขึ่นสมองวันที่สิบแปดกันยายนนั้นตามปกติเป็นวันเกิดของอาตมาอาตมาจะหยุดหนึ่งวัน หมายควว่าอยู่กิจกรรมทุก อ, อย่างแม้แต่ข้าวก็ไม่ฉันในวันนั้นทุกปีธราทุกใจทุกปีนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อทราบข่าววันที่18กันยายนทราบข่าวตั้งแต่ตี3 52นาทีว่าไม่ชิกุ้งไปแล้วอาตมากลีดขอนขวายเดินทางออกมารับศพที่โรงพยบ า, า, าบาลแล้วมาประเพณีบูชศพณ์ที่นี่เพราะฉนั้นวันเกิดปีนี้ก็เป็นวันตายของชิกุง้งพอีก็เลยว่ามาจัดงานให้ ที่กุ้แล้วก็มีวันนี้มาถึงวันนี้และขณะนี้ก็จึงขอฝากสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นคติเตือนใจนี้ให้ท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมในงานนี้จงจําไปพิจารณาว่าส่วนไหนที่เป็นของจริงก็ขอนขวายในการที่จะศึกษาต่อไปส่วนไหนที่ไม่ใช่ของจริงก็ปล่อยวางไปก็ขออนุโมท